คในแง่เหตุผลหรือว่าในแง่ปริยัตินี่เราเห็นด้วยเต็มที่อยู่แล้วครับแต่เข้าใจว่าอย่างภาษาชาวบ้านคือชัอ่วโมงบินเราถ้าจะน้อยเต็มทีผมนึกว่า่างกันนะเพราะว่าถ้ามีอะไรที่มันเป็นสุภาษมากขึ้นอะไรก็ามาทำให้เราเป๋ง่ายๆมันช่ไหมแต่พูถึงว่าตอนที่เราคิดเราตึกเราตรองนี่เราเห็นอยู่ครับ แต่พอเราเผชิญกับอารมณ์จริงๆเข้าเราก็ไม่ค่ยเห็นทุ่คือเวลาตรึกของเรายัางมีช่องว่างเหมือนกันเถอะคิดดูว่าผู้ที่ถ้าเป็นเราพูดถึงแบบชั้นมาตรฐานเนี่ยที่เขาทําอยู่เนี่ยนะคือพระอริยในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลก็ตามท่านเจริญเว้นแต่ลบะบั่ะท่านคิดเรื่องเหล่านี้เว้นแต่ละบบางคนถึงก็ทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งลูกทิ้งเมียทุกอย่างเพื่อมาคิดเรื่องนี้อ่ท่านทุ่มเทกันขนาดไหน ท่านทำกันอย่างนั้นจริงๆอาจารย์สันติก็พูดถึงวันก่อนบอกท่านเจริญเป็นวันเป็นคืนจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถามว่าทำไมท่านจึงทำได้ขนาดนั้นเมื่อก่อนเขามาไม่เห็นด้วยเลยใจจริงๆลึกๆนะไม่อยากเห็นด้วยเลยทำไมจะต้องเพียรอะไรกันมากมายขนาดนั้นต้องมีเวลาไปคิดเรื่องอื่นใช่ว่าสิคนเราะนะแล้วก็ามาเข้าข้างกิเลสหน้าเดือกิเลสมันก็กระซิบ น, นะ ก็เพียงแต่ว่าเราไม่ค้านนะว่าคำที่พระ อ, องค์แสดงไว้เป็นธรรมดีอยู่แล้วเราก็ไม่ค้านอ่ะแต่ว่าใจลึกๆของเราก็บอกว่าแหมทำไมไมันต้องขยันขนาดนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยคิดว่าชาวนะที่ขึ้นรับรู้อารมณ์เนี่ยคือการขยายวะตะชาวนะที่ยังมีขันห้าเป็นอารมณ์เนี่ยทุกครั้งเนี่ยคือการขยายวัตะขณะวิบากเกิดขึ้นทุกครั้งคือเฝ้าวัตะ ขณะวิบาเกิดขึ้นคือเฝ้าวตะขณะที่ชวนะเกิดขึ้นเนี่ยนะที่ไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยคือขยายวัตตะถามว่าแล้วท่านจะไม่รีบเพียรเพื่อให้เห็นนิพพานเลยหรือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ากิจฉังมัจจานชีวิตตังแต่ว่านายยมวดชีวิตหรือว่าอัตภาพอยู่ยากกิจฉังมัจจานชีวิตตังเนี่ยมัจจะศักด์ที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้เนี่ย อยู่ยากมากๆเลยนะเพราะมาวันนี้เนี่ยที่คุณอุไราสาธยายอารกกาสูตรชอบมากเลยทําไมรู้ไหมเพราะเขามามองเห็นภาพถนนทั้งหมดข้างหน้ามีชีวิตกันอยู่ได้ยังไงเลยนะโอ้โหมันโชว์มันเชียวปาดปุ๊บปับ๊บไได้อ ย, อยังไงกันไม่ทราบคาว่าถ้าล้มไปซ้ายก็ตายล้มไปขวาก็ตายไปเร็วหน่อยก็ตายยุดยูดยดช่ายเฉยมันก็ตายจะต้องเป็นไปตามนั้นพอดีเปร์นนะพวกมอเตอร์ไซค์พวกพจักรยาน โอมันอยู่ได้ยังไงยังแปลกใจอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าคองประสบอุบัติเหตุแต่ว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่เขาเก็บอสุภะเร็มากเขาจะไม่ปล่อยค้างเวลาเลยนะมาเติ่งปั๊บเอาไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นในตอนภาพเลวร้ยรายก็จะเห็นในภาพที่มันเป็นไปได้ดีจริงๆแล้วความมิบัติในที่นั้นนั้นชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าชีวิตของเราอยู่อีกนานคงจำได้ใช่ไหมพวกนักท่องเที่ยวที่บาหลีกําลังมีความสุขบุมเรียบร้อย ส่งกลับออสเตรเลียไม่รู้ครบสามสิบสองตามเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าครบห้ากลับตามเดิมก็คือของไทยเราจะนับเรียกว่าสามสิบสองเพราะญี่ปุ่นเขาชอบนับห้าหัวหนึ่งแขนสองขาสองเขาเรียกว่าถ้ามีครบห้าเรียกว่าสมบูรณ์คนละถ้าครบห้านะญี่ปุ่นเ้านับห้าถ้าเป็นไทยเนี่ยนับสามสิบสองไถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยพูดแต่ญี่ปุ่นก็ง่ายดีเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าครบห้ากับประเทศหรือเปล่าไม่ทราบไอที่กําลังสนุกมีความสุขระเบิดเลยเนี่ยนะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมูสัตว์เนี่ยประมาทค่อนข้างมากว่าเอาอะไรว่าโรคหัวใจเรามันจะดีเพราะบางคนเนี่ยป่วยกระทันหันจริงๆเลยนะโดยที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อเลยพรามที่จะสุดภายในไม่กี่วันเนี่ยนะจริงๆเลยซึ่งในที่นี้ก็มีผู้รับรองได้หลายคนภายในไม่กี่วันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเอาขนาดนั้นได้สุดลงสุดลงถ้าเราเห็นสังขารทั้งหลาย เห็นความน้อยของชีวิตเห็นภัยพิภัยของวัฏฏะจริงๆจะรีบภาเพเปลี่ยนพยายามเป็นอย่างมากเว่าโดยสรุปว่าวัฏฏะของเราเนี่ยยังเย็นอีกหลายที่บางคนก็บอกพอสู้มันได้อยู่ตรงมันเนี่ยพอแก้ปัญหาได้อยู่ก็คื อ, อยังมั่นใจอยู่ว่าฉันอยู่ในวัฏฏะโดยที่ไม่มีอะไรปรินทามที่ไหนนะครับสําหรับตีรณนาปัญญาที่เป็นสมมัชนญาเนี่ครัเจริญรูปสัจจะอรูปสัตจจะเนี่ย การเจริญเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมีวิธีต่างกันหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตอนที่พิจารณารูปสัจจการรูปสัจจการเนี่ยท่านก็มานันิการไปตามลําดับการเกิดของรูปตามการกันถักของรูปตามการแล้วก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เหมือนกับว่าน้อมไปโดยเข้าใจอัฏฐะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าการมนานัสิการเนี่ยมนานัสิการก็เป็นแบบอย่างเดียวกันยังไงครับคือบางคนเนี่ยนะถ้าในบางท่านก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นด้วยรูปสัตการรูปสัตการอะไรแค่ใส่ใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเดิมคล้ายๆกับทีขนะคะปริพาชกเ้าฟังแห็นเขาก็บรรลุได้เลยแต่สําหรับพวกที่อินทรีย์อ่อนทั้งหลาย หรือผู้ที่อัธยาศัยใหญ่หน่อยหมายคามว่าผู้นี้จะไม่ขอข้ามแต่ผู้เดียวผู้นี้จะต้องมาพิจารณามากจริงๆทเพนผู้ที่มีปัญญามากนั้นจึงไม่ได้บรรลุเร็วอะไรเลยก็เหมือนอย่างว่าพระราชาเวลาจะเสด็จทีหนึ่งไปง่ายไหมวางแผนยาวมากเลยนะกว่าจะเสด็จไปสักแห่งหนึ่งที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะไม่ใช่กระทันหันไปแบบเป็นส่วนพระองค์ง่ายๆนี่ไม่ใช่ ผลพระราชาจ ะ, สะเสด็จไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งยากมากเพราะองค์ประกอบเยอะผู้ที่มีปัญญาที่จะพิจารณาโดยละเอียดก็ลักษณะเดียวกันส่วนที่ผู้มีปัญญาไม่มากนะักพวกนี้ค่อนข้างตรัสรุ้เร็วภาษาริบุรกับพระโมคคัลลานะใครบรร ล, บลุเร็วกว่ากันพระโมคคัลลานะบรรลุเร็วกว่าและมีผู้ที่บรรลุเร็วกว่าพระโมคคัลลานะอีกไม่ใช่น้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้สังสมมามาก แต่ว่าบรรลุแบบเร็วมันก็อย่างว่านะของอะไรที่มันเร็วมันก็ไม่ได้ว่าจะดีเสมอไปใช่ไหมมันก็เร็วมันก็ง่ายอะ่ะจริงอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพไม่ได้มากนะักผู้ที่อบรมปัญญาก็ลักษณะเดียวกันผู้ที่พิจารณาโดยรูปสัตกะ ร, รูปสัจกะผู้ที่ทำสมบูรณ์จริงๆก็คือพระพุทธเจ้าถ้าทาสมบูรณ์ระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคิดดูถามว่าข่มอะไรได้บ้างแค่ไหนถ้าเข้าสมาบัต อย่างสมมติอีกในหนึ่งเลยนะผู้เข้าฌานโดยพิจารณาโทษของกรรมกับไม่พิจารณาโทษของกรรมเนะ่ฌานจะตั้งมั่นไม่เท่ากันแล้วก็ตั้งอยู่ในฌานได้ไม่เท่ากันความชำนาญในฌานก็ไม่เท่ากันถ้าผู้ที่ได้ฌานแล้วมันเห็นโทษของกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะท่านเหล่านี้จะสงบอยู่ในฌานนานแล้วก็เข้าฌานได้เร็วแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในฌานนาน แต่ถ้าไม่ค่อยเห็นโทษของวัตถุกรรมก็อย่างนั้นแหละถึงได้ฌานก็สักแต่ว่าได้ไม่มีความชำนาญอะไรเลยเพราะอยู่ที่การพิจารณาทั้งๆ ท, ท, ที่พูดได้ฌานก็รู้โทษของกรมได้ทุกท่านอยู่แล้วแต่ว่าเอามาพิจารณาบ่อยหรือไม่การพิจารณาขันห้าเนี่ยก็คือพิจารณาขันห้าแต่วิธีการพิจารณาที่แยบยนต์มากขึ้นมากขึ้นเป็นการพิจารณาโดยแง่มุมต่างๆ เมื่อพิจารณาโดยแง่มุมต่างๆชาวนาจิตมันก็ไปพิจารณาส่วนนั้นซ่องเสพสิ่งนั้นๆั้นท่นปัญญาเนี่ยถ้าไปส่องหน้าที่ใดๆบ่อยๆมากๆ ม, กๆมันก็ชัดไปเรื่อยมันก็ลงลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยการเห็นกว้างควางการเห็นที่ลึกซึ้งก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นอย่างผู้ที่คิดถึงเรื่องไม่เที่ยงบ่อยๆมากๆแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอโดยการสายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงกับผู้ที่ได้ยินคําว่าไม่เที่ยงอยู่เนี่ยก็แตกต่างกันมาก แม้ผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกสูตรเดียวกันเนี่ยนะอย่ากเชื่อว่าไม่เคยอ่านมาอ่านเพื่อให้ได้อ่านครั้งแรกกับคนที่อ่านเพื่อทบทวนนี้ก็ความเข้าใจก็คนละอย่างอ่านทบทวนเ้ําช่อยกับอ่านเพื่อไปแสดงก็คนละอีกอย่างทั้งทั้งที่เรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าการที่เข้าไปใคร่ครวนเข้าไปคิดเข้าไปพิจารณาที่แตกต่างกันในความเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตก็เหมือนกันของการพิจารณาขนาันธ์ห้า บุตชนปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันก็ใส่ใจโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเป็นพระโสดาบันจะปฏิบัติเพื่อบรรลุชั้นสูงอีกก็ใส่ใจโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเพราะวัตถุประสงในการพิจารณาค่อนข้างแตกต่างกันคืออย่างรูปสัตวกะ ร, รูปสัตวกะเนี่ยเป็นการหารายละเอียดเกี่ยวกับขันห้าที่สมบูรณ์ สมบูรณ์จนผู้ที่ทํารูปศาตว์การูรปศาตวกาได้ดีมากๆเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองบรรลุจนมีปรากฏการณ์อะไรพิเศษพิเศษตั้งสิประการใช่ไหมนึกว่าตัวเองบรรลุแต่ถ้าอย่างอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแบบเราๆเลยนะก็มันไม่เที่ยงอ่ะนะก็เฉยๆตามเดิมเนี่ยก็ไม่เห็นริปรสโนภาธอะไรจะเกิดขึ้นมาสักอย่างแต่ถ้าผู้ที่ทําปริญญาเหล่านั้นมาเป็นอย่างดีเนี่ยพวกนี้จะเกิดปีติเป็นต้น ถาจริงอะใครคิดอ น, นิจจังแล้วปีติเลยนะที่รู้อ น, นิจจังเลยนะมีบ้างไหมในห้องเรานะถ้ามีก็อนุโมทนาด้วยนะที่คิดถึงนี้เป็นทุกข์นี้ทุกข์อะนะแล้วก็โสมนัติเลยนะก็อาจจะมีบ้างะนะบางคนก็ให้มันเบาๆหน่อยก็แล้วกันบางคนเนี่ยเขาเจริญจนเขาคิดว่าเขาบรรลุแลว้วอ่ะนะที่เรียกว่าอุปกิเลสที่อุปกิเลสมันเข้ามาเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นจนคิดว่าเขาบรรลุจริงๆ ถ้ายิ่งพูดได้ฌาญด้วยและคิดเรื่องนี้ด้วยคิดว่าเป็นพระารหารันเลยเพราะกิเลสมันสงบมากผู้ที่ใส่ใจแบบนั้นบ่อยๆทั้นอย่างผู้ที่ใส่ใจโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบทั่วๆไปเนี่ยคือได้ยินคําว่าอนิจจังแต่ไม่ได้พิจารณาเพื่อต้องการตัดอกุศลอย่างแท้จริงอย่างเช่นว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงเรารู้ใช่ไม้มใช่เป็นทุกข์ใช่ไหมใช่เป็นอนัตตาใช่ไหมใช่พร้อมด้วยอย่างที่จะละมานะเพผูะอาศัยตา พร้อมหรื อ, อยังที่จะละราคะที่อาศัยตาพร้อมหรื อ, อยังที่จะรู้เหตุเกิดความดับอาัสาธาอาทีนวะนื้สาระของตาเพื่อกําจัดโมหะจริงๆแล้วเรามุ่งตรงนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้ทําให้เห็นว่าการรู้อนิจจังของเราไม่พอไม่พอที่จะทนทุกข์บางพระสูตท่านก็แสดงเน้นเรื่องทุกขงังบางพระสูตรท่านก็แสดงเรื่องอนิจจัง ท่านที่ท่านฟังแล้วเนี่ยท่านบรร ล, ลุตรงนั้นเนี่ยถ้าอย่างเช่นท่านแสดงว่า อ, อนิจจังสังก ต, งตังปฏิจะสมุปปันนันขยะธรรมังวิยธรรมังเนี่ยก็ดูว่าเป็นเรื่องของ อ, อนิจจังทั้งนั้นท่านจะพิจารณาโดยทุกข์แล้วก็โดยอนัตตาด้วยหรือเปลา่าจริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันอยู่แล้วนะสิ่งดใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาจริงๆก็คือสิ่งเดียว อ, อย่างเช่นอย่างที่เคยถามไ้ว่าบางคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันน้อยจริงๆบางคนนะก็ไชีวิตเหมือนเดิม้ะทำไมมันภาระมากขนาดนี้ชีวิตนี่บางคนไม่เข้ามาว่าทำไมมันน้อยจริงอ่ะนะบางคนเข้ามงบอกมหาภาระมันต้องดูแลกันขนาดไหนเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันมีสาระอะไรบ้างชีวิตเนี่ยคือ ท, ทั้งๆที่สมมติว่ามีชีวิตอยู่ชั่วแต่จากเกิดต่หาตายเหมือนกัน คนจะใส่ใจใเกี่ยวกับชีวิตต่างกันทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์นั้นคือสิ่งเดียวกันสมมติว่ารับอารมณ์เดียวกันอะไรเดียวกันหมดแต่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอินทรีย์ต่างกันบุคคลผู้มากไปด้วยสัตว์ทินซีเนี่ยนะเขาฟังแค่อนิจจังก็เพียงพอถ้าบุคคลที่มีสมาทินรียดีเนี่ยเขาฟังว่ามันเป็นภาระเขาก็พอละที่จะเบื่อหน่ายถ้าปัญญรีย์เขามีกําลังเนี่ยเขาฟังอนัตตาเนี่ยอส า, ารกะเนี่ย อาสาร ก, กัดเถนะเนี่ยเขาก็เพียงพอเพราะว่าอินทรีย์ของเขาเนี่ยตัวใดมีกําลังมากผนอินทรีย์เนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าเขาควรจะได้ฟังคําอะไรซึ่งพระพุทธเจ้ามีอินทรีย์โปรปริยติยาณญาณที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของหมูสัตว์เหล่านั้นพรองก็จะแสดงพระธรรมที่เหมาะกับอินทรีย์ของเขาไปเลยแต่ว่าพอมาในยุคเราเข้าเนี่ยมันใช้วิชาสมทั้งนั่นเลย คำว่าสุ่มเนี่ยเรื่องของคือพวกหาปลาไะคำว่าสุมม่มหมาว่าน้ําก็ขุนแต่รู้ว่าข้างล่างพอมีปลาอยู่ก็เลยเอาสุ่มเนี่ววยวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยจับวางจับวางถ้าสุ่มถูกนะหมายความว่าปลามันจะไปชนวิ่งไปชนแล้วมันก็เทือนโแสดงว่าถูกปลาแหละเขาก็เลยล้วงเอามาก็เหมือนการตรวจของเนี่เขาจะสุ่มใช่ไหมสุมม่มหมายควาว่ามันมีสิบอย่างก็สุ่มสักสองสามอย่างดูเขาเรียกว่าใช้สุ่มหาตัวอย่างว่างั้นแท้ คือผู้ที่พิจารณาในยุคของเราเนี่ยเป็นลนักษณะกลมสุ่มเราไม่รู้อินทรีย์ของเราไม่รู้อัริยาสายของเราจึงต้องเรียนมากฟังมากเพราะเรารู้ได้ยังไงว่าที่ฉันพิจารณาอยู่นี่มันเหมาะแล้วถูกแล้วดีแล้วอันนี้เราไม่รู้อัริยาศัยของเราเราะนั่นก็ต้องเรียนให้มากๆบางอย่างเนี่ยเราว่าดีในตอนต้นแต่ตอนหลังๆไปเจออย่างอื่นเอ็นนี่ก็ดีกว่าทําไมเราชอบสูตรนี้มากกว่า แสดงว่าความชอบใจของเราเนี่มีความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราว่าดีในตอนต้นอาจจะไม่ดีที่สุดในตอนท้ายของเราก็ได้อย่างพระสูตรบางสูตรที่เราชอบชอบเนี่ยนะก็เปลี่ยนสูตรชอบไปเรื่อยเห็นว่าอินทรีย์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอินทรีย์ของเราไม่แน่นอนสักเท่าไหร่ท่านการศึกษาพระธรรมแบบยุคอินทรีย์อ่อนอย่างยุคนี้เนี่ยจึงศึกษาให้มากให้กว้างเข้าไว้ เพราะว่าจุดประสงค์ที่ท่านแสดงก็เพื่อที่จะให้เปื่อหน่ายใช่ไหมครับดังนั้นบางครั้งก็แสดงเหมือนกับพยัญชนะที่มันเอามาเพิ่มเติมเพราะว่ายัางโตสี่สิบนี่ยมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอ่านมหานิเทศเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าบางคนเนี่ยนะอย่างเช่นคําว่าปัจจัยเนี่ยเหตุปัจจัยนิทานปัภวะนิทานนะก็คืออาศัพ์เดียวเนี่ยมาเพิ่มให้มันเยอะขึ้นนะบางคนเขาฟังแล้วเข้าเข้าใจ เพราะว่าหนุนคําเรื่องเดียวให้มันมากขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นแต่ว่าผู้ที่มีปัญญามากทาไมจะต้องมากมายอะไรขนาดนั้นท่านพูดแต่ใจความก็พอคือเอาแต่าสาระล้วนๆก็พอผมมีเวลาจํากัดมากเลยก็งั้นนะเสร็จแล้วก็นึกว่าเข้าใจอย่างที่เราพูดนะไม่ใช่หรอกเพราะงั้นก็เลยอย่างเงี้ยต้องย้ําแล้วย้ําอีกซ้ําแล้วย้าอีกแต่ขนาดนั้นมันก็เป็นนะเออเราก็พูดอย่างนี้นะเราก็ว่าเราก็พูดดีอธิบายตั้งเยอะนะ ไม่กว่าเขาเข้าใจเหมือนเราว่าที่ไหนได้พูดเรื่องนั้นอีกทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเราพูดยังไงเขาเข้าใจได้คนละอย่างอย่างนี้นะเราก็ยังแปกใจอยู่เหมือนกันอันนี้คือทําให้เห็นว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้เรียนมากเรียนกว้างขวางก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องหรือเปล่าอธิปกปริยยสูตรก็ไม่ได้แสดงครบทั้งสี่สิบสองใช่ไหมวอนพระฝอยคือราฆาโทสะโมหะอนิสาสวัโต ชาติชรามรณาโศกกะปริเทวทุกโทมณัตและอุปาญะก็ใช้อยู่ไม่ถึงสิบดีใช้สักแปดเก้าโจเนี่ยนะแค่เนี้ยชดินสามพี่น้องมันลู่เลยของเรานีโตสี่สิบผ่นไม่รู้กี่รอบเพยังอยู่ถึงทุกวันเนี่ยนะก็แสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอันนี้จังสังคตังติดจะธรรมังเป็นต้นเนี่ยถึงสุญญโตานตโตอาสารกโตก็ว่ากันยังไม่รู้จะว่าเท่าไหร่นะ อาหารก็กไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนะ <c oughs> ก็ยังอร่อยอยู่ก็มีความสุขกับการแต่งตัวอยู่นะตรงนั้นก็น่าเลิศเกินตรงนี้ก็นา่าไปก็ยังดีนะดอกกุหลาบก็ยังสวยอยู่ตามเดิมอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็แสดงว่าอินทรีย์เรานี่อ่อนมากๆเลยทั้งการการศึกษาพระธรรมในยุคหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มวาสนาภาคยะสัส่วนใหญ่ามากกว่าที่จะเป็นนิเพทภาคยะ บางคนฟังอริยสัจเป็นว่าสนาภาคยะบางคนเป็นนิเพทธภาคยะกลุ่มสมัยพุทธกาลเนี่ยเข้าฟังทำประเภทเพื่อนิเพเทธภาคยะเพราะเขาต้องการชำระ ก, กิเลสโดยจริงๆแต่ในห้องเราก็หลายคนก็ดูตั้งใจอย่างนั้นเหมือนกันนะเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีบรรลุอะไรก็จะถามบ่อยๆอยู่เหมือนกันเลยนะเราจะได้เข้าใจว่าเออบรรลุสิ่งเดียวกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะ วูบขึ้นมาเลยอย่างงี้หรอวะไม่ใช่สักอย่างเลยนะแล้วตกลงเอาอยัางไงกันนี่จะบรรลุยังไงนะบางคนเนี่ยตราฐานจับบรรลุไม่รู้บรรลุมันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เขาบอกว่าเขาบรรลุอริยสัจอริยสัจตรงไหนหมายาว่าเห็นทุกคนบับนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกคนนี้โรกนี้ทุกคนนี้โรกถ้าขามน่นี้ปฏิปทานอาวัชนะวสีตัวนี้ให้มันแน่นแน่ น, นหน่อยวเได้เนี่ยนะนี่ก็แค่นึกก่อนนะ เมื่อนึกเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมืออ่อที่ฐานเมื่อเจริญอินทรี่ห้าเมื่อกำหนดรู้โอยังมีต่ออีกเยอะเนี่ยแค่ให้ชันนาญในการนึกก่อนเท่านะแล้วไปศึกษาอยู่หน่มานะค่อยตามมาอัดของสิกษาสิบกว่ข้อเนี่ยนะค่อยตามมาขอให้ชันนานในการนึกก่อนนะเห็นปั๊บเนี่ยเห็นพวกอะไรแบบนี้ทุกให้ชันนานแล้วลืมตาดูเมื่อไหร่นี้ทุกนี้ทุกที่โดยลืมตาดูนะ เห็นยมรู้ตบหนี้ทุกเลยนะทำนานไดขนาดนี้ก็ถ้าเห็นคนแข็งในของนึกมันก็ยากนะนี้ทุกนะเนี่ยแต่ใช่เลยในตอนนี้ยอมรับเลยนะแต่เมื่อไหร่ที่เห็นตัวเองบอกนี้ทุกในเราเนี่ยก็เจอแล้วเห็นความคิดคิดอะไรก็ตามเถอะความคิดที่เป็นกุศลก็บอกนี้ทุกถ้าอย่างนี้ก็เริ่มเข้าเขาบ้างแล้วคือขยันนึกบ่อยๆแค่นึกอย่างน้อยเนี่ยนะเมื่อนึกอ่อนจะรู้น้อยจะเห็นน้อย เพราะว่าอัดของสิกขานะการนึกอวชนะก็ชื่อว่าสิกขาตามเห็นก็ชื่อว่าสิกขาตามรู้ก็ชื่อว่าสิกขาตามพิจารณาก็ชื่อว่าสิกขาการอธิษฐานก็ชื่อว่าสิกขาทีนี้ก็อินรียห้าแต่ละข้อก็ชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้ยิ่งนะอภินยยะตะรินยยะเป็นต้นซึ่งเหล่านี้เป็นสิกขาทั้งหมดชํนานาญในการนึกจนกว่าธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นจะบริบูรณ์ จะต้องนึกขนาดนั้นเพราะสมัยก่อนเขาจะอดนึกทั้งวันทั้งคืนพระสูตรใช้คําว่ามีสติเวีนรอบสโตปริพัชชาใช่ไหมมีสติเวีนรอบหมายว่าสติเกิดรอบเลยไม่มีชาวนะไหนที่ไม่มีสติทุกชาวนะมีสติคนที่อบรมจิตเต็มที่เลยนะเมื่อก่อนนี้อ่านมาหาหัตถปทโทรปรมาสูตรนี้อัตถกะถามไม่เข้าใจคือโอ่้อะไรจะเก่งขนาดนั้นว่า ชาวนะเป็นอากุศลสองสามชาวนะท่านบอกช้ามากทําไมจึงต่อให้กิเลสลามตั้งขนาดนั้นบอกช้าเกินไปถ้ามีปัญญานะักชาวนะเดียวอากุศลเกิดได้ชาวนะเดียวถ้ามีปัญญาเต็มเปี่ยมเลยเนะอันนี้อาวัชนะรู้ละแยกได้ตั้งแต่อาวัชนาเลยว่าแค่ไหนจึงควรนึกแค่ไหนไม่ควรนึกอะไรควรนึกควรนึกยังไงเขารู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะไม่ยอมให้อากุศลเกิดเลย คือหมายาว่าปัญญาท่านมีกําลังอย่างเต็มที่แต่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะจะย้อนกลับมาดูว่าจริงหรือพระพุทธเจ้าตัดฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้ได้สมมติว่าถ้าเราไปเห็นของที่เรางามที่สุดในความคิดของเราเนะ่ยพระพุทธเจ้าไม่มีราค่าในสิ่งนี้เลยหรือเรามัน่นใจอย่างนั้นเลยนะศรัทธาเกิดตีติเลยนะมหรือเห็นสิ่งที่เราลือดร้อนมากๆเลยนึกเมื่อไหร่เราก็โทรสั่ง พระพุทธเจ้าตัดปฏิฆาลนิมิตเหล่านี้ได้หรือเราเลิกถึงอะไรนะมุดงงไปหมดเลยไม่รู้มันคืออะไรพระพุทธเจ้าทะลปผูกโปร่งในสิ่งเหล่านี้หมดเลยรู้อย่างเงี้ยนะก็่ลองมาวัดดูว่าอัรหันตะคุณเป็นต้นของพระ อ, องค์นี่เยี่ยมจริงๆเลยนะมองในแง่ไหนสัตว์ทินซีของเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงในพระ อ, องค์เนะี่ยถ้าอย่างนี้ก็แนวโน้มไปสูงแัน้วนะก็แสดงว่าใกล้เชิดพระัตนะตรายมากข้างแล้ว แต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นล่ะก็สมาทานบ่อยๆที่จะให้ใกล้ชิดกับพระรัตนะไตรย์อย่าลืมว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะจะกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนต้องย้อนกลับมหาพระพุทธเจ้าอีกอยู่ดีสิ่งเหล่าเนี้เราต้องมาสอบสวนว่านี่เป็นไปตามคําสอนหรือไม่เป็นไปตามที่พระ อ, องค์ประสงค์หรือไม่แล้วทั้งหมดที่เราพิจารณาอนุวัก์ต่อคําสอนที่พระ อ, องค์สอนหรือไม่ เป็นตามสวากขาโตจริงหรือเปล่าเป็นสันที่ที่โกจริงไหมแล้ะมูพระอรยะที่ท่านปฏิบัติแล้วบรรลุท่านตามแนวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังไงยังไงสิ่งที่เราเจริญก็ต้องย้อนกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะเขาจึงเป็นผู้กลุ่มอาจจารัสศรัทธาจริงๆเมื่อก่อนนะเอเราก็เจริญมีศัสนาเอ๊ทำไมไม่เห็นอะไรเกี่ยวอะไรกับพระพุทธเจ้าเราก็เจริญของเราไปอะไรไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลับคือสิ่งเดียวกัน การเจริญยิ่งเจริญมิตัศสนามากขึ้นเท่าไหร่การเห็นอริยสัจมากเท่าไหร่นั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ใดเห็นอริยสัจผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้ที่เห็นอริยสัจแสดงว่าการเห็นอริยสัจไม่ได้ห่างจากพระพุทธเจ้าเลยแต่บางคนเนี่ยนึกถึงอริยสัจแต่ไม่ค่อยนึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงว่าเออหน้าแปลกใจว่าน่าจะคนละอย่างกันแล้วล่ะ หรือบางคนก็บอกเห็นแต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้อริยสัตว์มันคืออะไร hey, อย่างนี้มันก็น่าแปลกใจอกีกทําไมเป็นอย่างนั้นคือตรงนี้นี่ที่เราทั้งหลายอยากให้เป็นนักที่เรียกว่าระแวงตัวเองให้มากๆหน่อยนะคือให้ระแวงตัวเองว่อย่าพึ่งมั่นใจอะไรจนเกินไปนักเลยถ้ายังไม่เห็นบทอันสงบอย่าพึ่งนิ่งนอนใจเลยว่าเราเนี่ยเจ๋อแล้วเรานี่ดีแล้วใครจะรู้จากวันนั่นก็คือความลวงอีกชนิดหนึ่ง คนอื่นหลอกเรานะเรายังพอรู้ทันใช่ไหมเคยโดนตัวเองหลอกไหมเนี่ยปกตินะฮะเนี่ยงนะเพอตัวเองหลอกตัวเองนี่พีมันนาหนักใจมากๆากกันนะแล้วเราก็เชื่อมันด้วยไนหะก็เชื่อมันเออเรื่องนี้มันต้องไม่พอใจเออใช่เราก็เชื่อมันอีกมันแนะนําเสี้ยมสอนว่าเออต้องชอบเราก็ชอบมันอร่อยเออเหมืนก็ว่าก็ถูกตัวเองเนี่ยหลอกมานานท่านบอกว่าถูกจิตเนี่ยหลอกมานานแล้วถ้าหากว่าเราเจอเรื่องนิพานเนี่ยนะ ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ระแวงความคิดตัวเองว่าจริงหรือเพราะาถ้าสิ่งที่เจริญถูกนะั้นมันต้องทนต่อการที่สื่อหรือทนต่อการอธิบายจะว่าถามตัวเองจริงหรือมันปลอบเพื่อนมันมีมายาขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าไม่เท่าไหร่หมายความว่ายังกล่อมตัวเองอ่ะนะยังรู้สึกว่ายังหลอกหลอกตัวเองอยู่ยังบอกว่ามันดีนะยังรู้สึกว่าต้องกล่อมตัวเองอยู่บ่อยๆนี่ก็แสดงว่าอันยินซีเราไม่ดี ก็มีพี่ผู้ที่ถามว่าอาศัยศรัทธากับเข้าใจในสิ่งนั้นอะไรจะมั่นคงกว่ากันเธาบอกว่ามีปัญญากับสิ่งนั้นมั่นคงกว่าแค่ศรัทธาเพราะอย่างที่บอกว่าบางคนเห็นคุณของพระพุทธเจ้ากับคู่ที่แค่เลื่อมใสเนี่ยนะความเลื่อมใสเนี่ยไม่แน่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนได้อย่างพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นต้นเนี่ยนะตอนแรกก็เห็นนับถือพระศาสนาอยู่ดีๆต้นหลังก็เอ๊ชักไม่เอาละ ก็แสดงว่าแค่เขาเชื่อแค่ครั้งคราวเรื่อมใส่แค่ครั้งคราวเขาไม่รู้คุณอย่างอย่างแท้จริงบางคนนี่ก็บอกว่าก็เชื่อแหละว่าพระไตรปิฎกเนี่ยดีแต่ก็ไม่อ่ะเพราะไม่ได้เข้าใจเนื้อหาพระไตรปิฎกอะไรเพราะแค่ความเลื่อมใสจึงไม่พอการพิจารณาธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่แค่เชื่อแต่จนยอวมอบเออใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่กล้าปฏิเสธด้วยว่าไม่เป็นอย่างนั้น ไม่ว่าปฏิเสธเลยว่าอากุศลมันให้ผลเป็นทุกข์พูดไม่ได้เพราะมันให้ผลเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้นะคือจนกว่าสัจจะตัวนี้มันแม่นยำมากเพาอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่จะทําให้ตรัสรู้จริงเนี่ยคือการรู้แจ้งหรือการเห็นอริยสัจถ้าอริยสัจคือความจริงมีบางท่านถามว่าทําไมต้องมีบรรําเพ็ญสัจจะบา ร, รมีสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมต้องบำเพ็ญสัจจะบา ร, รมี ถ้าพระ อ, องค์ไม่บำเพ็ญสัจจะบารมีแล้วคําพูดของพระ อ, องค์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าสงสยัยเปลี่ยนใบหน้าดูเลยใช่ไหมแต่นี้พระ อ, องค์ไม่เคยเปลี่ยนก็จงเรียกว่าตถาคตท่านฝึกใช่วาจาตามความเป็นจริงเพราะสิ่งที่จะเอามาประกาศเนี่ยคือของจริงคืออริยสัจนี่เป็นของจริงผู้ที่จะใช้วาจาประกาศอริยสัจวาจานั้นก็ต้องเป็นวาจาจริง ถ้าคู่แสดงอาริยศัสตร์เนี่ยกลักหลอกบ่อยน้าดูเลยเด็กคิดว่าขนฟังจะทว่าอย่างไงอ๋พูดความจริงแต่ทำไมวันหนึ่งเปลี่ยนไปตั้งหลายรอบอย่างเงี้ยนยถ้าอย่างนี้ก็ชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วนี่ก็ลักษณะเดียวกันว่าสัตว์จะทำทั้งหลายในระดับสูงนี่คือของจริงทั้นเราเองต้องอธิบายจนตัวเองยอมรับได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุผลใดแต่ขอมาใช้วิธีนี้ว่า เราแวงตัวเองแล้วก็อ่านพระสูตรจริงเลยเนี่ยแล้วมันขัดกับสูตรนั้นไหมก็จะเอาพระสูตรต่างๆเนี่ยมาสอบตัวเองเนะั่นเองเป็นคนช่างโจดตัวเองไม่ใช่น้อยหลายๆอย่างหบอกใช่คุณคิดจริงแต่ว่าสิ่งนั้นอาจจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่ตอนนี้โดยหลักฐานข้อมูลในเรื่องเนี้มีเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก่อนแต่ว่านี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าคิดสมบูรณ์ต้องเป็นพระอริยะผู้ที่เห็นเรื่องนี้จริงก็คือพระอริยะเจ้านี้เราไม่ได้เป็นก็แสดงว่า เรื่องนี้ยังไม่ดีสักเท่าไหร่รู้้ไม่จริงในเรื่องนี้แปลกๆในโลกของทางธรรมะเนี่ยนะเราจะรู้ตัวว่าเราไม่ค่อยรู้เนี่ยตอเมื่อเรารู้แล้วตอนเมื่อเรารู้แล้วนะเราจึงจะรู้ว่าโอ้ไอ้ที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่กุศลธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้กุศลเจริญหรือไม่เจริญแต่ถ้าเราเทียบกับก่อนเนี่ยเราก็พูดได้ว่าตอนนี้เจริญหรือตอนนี้เสื่อมแต่ถ้าวันหลังนะ สงศ์เจริญกว่านี้มากกว่านี้จะรู้ว่าวันก่อนนี้ไม่เท่าไหรวันก่อนก็อยังงั้นยังงั้นแหละเหมือนกับพระสูตรบางสูตรที่เราอ่านหรือเราฟังไม่ก็ว่าเข้าใจอ่ะพอปีหลังเราไปตึกได้เพ่งได้อแตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหรไห่ก็ความคิดมันก็เป็นอย่างนี้เพะะนันธ์ก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าเมื่อไรหรเนอะจึงจากสมบูรณ์บอกว่าอาริยมรรคเกิดเพราะความสมบูรณ์เนี่ยคือสิกขาสามสมบูรณ์ถ้าสิกขาสามยังไม่บริบูรณ์ก็ยัง พระโสดาบันก็บริบูรณ์สิกขาโดยส่วนเดียวคืออาทิศีลสิกขาพระสกทาคามีก็เหมือนกันพระนาคามีนี้จึงสมบูรณ์ด้วยอาทิศีลด้วยอาิ จ, จิต ด, ด้วยตัญญาก็พอประมาณถ้าพระอรหันเนี่ยสิกขาสามจึงจะบริบูรณ์ทีนี้ความบริบูรณ์ของพระอารหันแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันบางท่านก็วิ ช, ชาสามบางท่านอภิญญาหกบางท่านก็ปฏิสัมพิธาสี่ซึ่งแต่ละองค์แต่ละองค์ก็จะไม่ได้มีความสามารถเท่ากัน ในความเข้าใจในสิ่งนั้นๆเพระภาษารบุรก็ยังต้องถามพระพุทธเจ้าพระมหากัะสต ะ, ะเป็นต้นก็ยังถามพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นทั้งที่มีปัญญาอย่างนั้นก็ยังถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงเข้าจริงยอมรับว่าพระสัพทันอยู่